กลับนมัส ก, การหลวงตาเจ้าค่ะที่เมื่อวานที่หลวงตาให้โยมเดินจงกรมมาเจ้าค่ะตอนนี้มันก็จะเห็นจิตมันแวบแวบแวบแวบ แ, แต่ว่าบางทีก็รู้สึกแน่นแต่โยมก็รู้ว่าบางทีโยมไปเพ่งตรงจุดนั้นเจ้าค่ะนี้ก็ก็ลองลองคล า, ายมันออกนิดนึงแล้วก็ลองดูลองส่งจิตไปทางหลวงตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าเวลาเราส่งจิตไปฟังเนี้ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ นิยมก็ไม่แน่ใจบางบางช่วงมันก็เหมือนกับโอเคมันมันแว๊บๆโดยโดยโตัวมันเองแต่บางทีก็เหมือนกับโยมไปจ้องมันเพื่อที่จะดูรู้จักค่ะเดี๋ยวการทำเช่นนั้นไม่ถูกนะเนี่ยเราบอกแล้วใครใครปฏิบัติอะไรสงสัยควบคุมเค ร, ครคือปฏิบัติเองแล้วมันคิดเองทำเองอ่ะวราจะผิดนะนี่ยอย่างเงี้ยผิดๆิ ด, ด, ด, ด, ดิดคือโยมเนี่ย เอาตัวเราไปเพ่งอาการไอ้ตัวเราก็หมายถึงว่าเอาขันท่าเนี่ยเอาขันท่าเนี่ยไปเพ่งอาการในตัวเรามันก็เลยมีอาการเนี่ยมันมีมีอาการหลายอย่างตะเกิดขึ้นในตัวเราเพราะว่าเราเอาตัวเราขันท่าเนี่ยไปเพ่งใส่อาการไปดูเอาตัวเราไปดูไปรู้ไปเพ่งอาการ บางคนก็ปฏิบัติเอาไปเพ่งเลื่อนไปตามตัวเลยเลื่อนไปแขนไปขาไล่ไปตรงหัวมาจดขาอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะทําำนี้ไม่ถูกมันมันเอาตัวเราเนี่ยไปเพ่งเอาขันห้าเนี่ยไปเพ่งแล้วมันจะออกอ า, าการตามมาคือเอาพลังจิตเนี่ยไปอัดตัวเองแล้วมันจะเดี่ยงมันจะแจ่มันจะเจ็บมันจะปวดจะเมื่อยจะร้อนจะเย็นบูบูวาบเดี๋ยวก็เ บ, บามากเดี๋ยวก็ว่างมากเดี๋ยวอะไรสลับไปมั่วหมดแล้วเดี๋ยวก็ร้อนบูบูว่บบาบเดี๋ยวก็แน่นจุกหน้าอก เดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นนั่นตัวนี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไมเกรนอะไรทั่วมัว่วไปหมดเลยคือไม่เข้าใจการปฏิบัติไม่เข้าใจเอาตัวเราเนี่ยที่เป็นขันห้าเนี่ยปรุงแต่งเป็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเล่าที่มันแสดงกิริยาการได้เอาแสดงกิริยาการได้ไปเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นผู้เพง่งเพง่งก็ไปตัวเราเขาก็ไปเพง่งตามแขนขาตามตัวตามหน้าอกตามลิ้นปีตามหัวปวดไปหมดเลยที่ตรงไหนก็ปวดไปหมดเพราะว่าจิตมันมีพลังจิต เอไปเพ่งเข้ากันจินเป็นสมาธิมันจะมีพลังจิตแลนนี้ไปเพ่งเข้าก็ปวดเจ็บไปหมดอะเพ่งประสาทอะแล้วก็ซ้ายก็แช่อาการเพราะว่าอะไรมันมีตัวเราอ่ะจนมีตัวเราในความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นตัวตนเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เพง่งผู้ผู้เข้าใจแล้วเอาตัวเราไปแช่อาการเหมือนกับอาการนั่นเป็นน้ำปลาแล้วเอาตัวเราไปแช่ในในน้ำปลานั้นเนี่ยอ่าก็เรียกอะไรเหมือนปลาแช่น้ำปลาเงี้ยแล้วก็แช่ถึงจะแก้ให้รู้สึกตัวยังไงก็แช่เพราะไม่เข้าใจตรงนี้สักที มันก็เอาตัวเองอ่ะไปรู้ไปรู้ตัวเองอยู่เรื่อยเลยเอาตัวเองไปรู้อาการเนี่ยโยมต้องรู้ตัวเองผู้ไปรู้อาการรู้ตัวเองผู้ไปรู้อาการนะไม่ใช่เอาตัวเองอ่ะไปรู้อาการต้องมาคอยสังเกตดูตัวเองผู้รู้อาการเน่ยมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมันวิภากควิจารณ์มันบ่นอะไรพูดอะไรอยู่คนเดียวก็สัตวกตะวะนรู้เขาก็อะไรสำไมจึงต้องมาสักตะวะรู้ตัวเองที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตอมผู้วิพาควิจารณ์ก็เพราะว่า มันจะได้มาเป็นรู้ที่รู้ตัวเองมาคือมาเป็นใจอ่ะที่รู้ขันห้าคือขันห้าที่มันคิดมันนึกมันตึกมันตอบมันพูดได้บนได้มันจะได้มากลายมาเป็นใจพบใจที่มันรู้ขันห้าคือรู้ตัวเองก็คือรู้อะไรก็รู้ไอ้ขันห้าที่มันแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตอบแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งถูกรู้หมดเลยด้วยใจแต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหรอกหาใจไม่เจอแต่มันสามารถรู้เราได้หมดเลยจะได้มาเป็นใจอะที่รู้ตัวเรา แต่ใจนั้นน่ะมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันได้แต่เป็นรู้เอามารู้ตัวเราไว้ที่มันคิดมันนึกมันตึกมันต่อมันปรุงแต่งเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นใจถ้าเป็นใจแล้วมันก็ว่างเปล่าเป็นใจที่ว่างเปล่าอย่างเดียว่ะไม่มีอาการใดๆไม่มีอาการแช่ไม่มีอาการแย่ไม่มีอาการที่เออวิตกกังวลไม่มีกิเลสตนาไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรเลยมิแต่ใจที่ว่างเปล่าแต่ไอตัวที่มีกิลที่มันปรุงมนนปรุงนี่ได้มันเป็นเรื่องของการหน้าหมดเลยแต่โยมเนี่ย เอาไ้ตัวปรุงแต่งได้เอาตัวขันห้าเนี่ยมาเป็นตัวเรายึดมาเป็นตัวเรายึดขันหน้ามาเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปเพ่งไปจ้องไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางไปพยายามทําอะไรเป็นอะไรเอาไปย้ายได้มั่งเอาไอ้ตัวเอาตัวผู้รู้กลายเป็นไอ้ผู้รู้ปรุงแต่งย้ายมามาเอามาใส่มามองที่อาจารย์มั่งย้ายเอามาที่รู้อาจารย์มั่งย้ายไปที่รู้คนนั้นตรงนี้มั่งเอาไปไว้ข้างนอกมั่งไว้ตรงที่ตัวเรามั่งว่าเอาไปย้ายตรงนี้ได้เอากลายเป็นไอ้ผู้รู้เนี่ยมันปรุงแต่งย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาอ้าวไหนผู้รู้เป็นใจที่ รู้ตัวเราขันห้าที่มันปรุงแต่งได้ผู้รู้ไม่อใจอ่ะเป็นเป็นผู้รู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันแต่งกิยาการไม่ได้มันมีแต่ความรู้ตัวตนมันไม่มีเอ้าไหนกลายเป็นว่าไอ้ตัวผู้รู้ปรุงแต่งได้สารพัดเลยปรุงแต่งย้ายไปตรงนั้นดูตรงนั้นย้ายตรงนี้เอาตรงนี้จะเอาอย่างนั้นไม่เอาจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นเอาไปย้ายเอาไปเอาไปคิดไปนึกไปตึกไปต่อไปดิ้นรนไปกังวลไปสารพัดจะปรุงแต่งได้หลายอย่างเลยเอ้าทําไมไปอย่างนี้เราก็นึกในใจว่ามันหมายมันทําไมโง่แบบเนี้เอ๊ะทาไมหลงอีกแล้วหลง เอาผู้รู้ไปไปปุ่งแต่งได้เอาไปเคลื่อนไหวได้เอาไปทํากิยาการได้ได้ผู้รู้มันเป็นใจที่มันรู้ขนันหน้ารู้ขนันหน้าคือรู้ตัวเราเนี่ยที่แอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบต้องแอบพูดแอบกระทำอะไรในที่รับที่แจ้งมันรู้ตัวเราได้หมดเลยไม่ว่าเราไปแอบคิดอะไรอยู่คนเดียวหรือว่าเนี่ยที่มันชา้าที่ยกตัวอย่างว่าเขาพาแฟนเข้ามาเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นเขาพาแฟนผู้ชายเข้ามาแหมหล่อมากเลยโอ้โหถูกสเปคเรามากเลยเราก็ไปคิดในทางอากุศลกับเขาอยากให้มาเป็นของเราบ้าง เนี่ยมันคิดอย่างเนี้ยพอมันคิดอย่างเนี้ยเรารู้ตัวเราไหมว่าเราคิดอย่างเนี้ยือรู้ไหมรู้่ให้แน่แก็ให้เป็นรู้ว่านั่นแน่ให้เป็นรู้แต่อย่าไปเป็นตัวเราที่มันคิดได้ปรุงแต่งได้ให้เป็นรู้เรื่อยไปให้มันเป็นรู้ตัวเราเรื่อยไปอันนี้จะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจเอ๋อก็ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่งาเราว่าอะไรเห็นไหมข้างในมันเคลือชมาร์เครื่องหมายก็ลือชมาร์เต็มเลยแต่เดีมันก็เห็นเครื่องหมายเคลือชมารของตัวเองจ้าค่ะเออเรารู้ไหมว่าข้างในมันมีอาการลักษณะเป็นเครื่องหมายเคลือเชมา์คือเขาสงสัยสงสัยสงสัยไม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเลยเราไม่เข้าใจมันบ่นเนี่ยแะรู้ไหมว่าเตงบ่นว่าเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจรู้จ้าเออรู้เนี่ยแหละก็เป็นรู้เนี่ยแหละอย่ามาเป็นตัวเราอ่ะ อย่าเอาไอ้ตัวเราที่เราตัวเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจที่เป็นข้อหมายก็จะมาอย่าเอามาเป็นตัวเราให้เป็นรู้เนี่ยรู้ว่าเนี่ยรู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยบ่นๆแล้วไม่อาจารย์พูดทาไมไม่เข้าใจสักทีอะไรเงี้ยไอ้ตัวที่บ่นได้ทําไมมันฟังอาจารย์ไม่เข้าใจสักทีเ้มันฟังมาตั้งนานไม่เข้าใจเลยอะไรทำไมเราไปแจกนี้อะไรเงี้ยไอ้นั่นยอย่าเอามาเป็นตัวเราแต่ถามว่ารู้ไหมว่าเรากําลังบ่นแบบเนี้ย รู้ไหมรู้รู้ให้เป็นรู้นั่นแหละเรานั่นแหละเป็นรู้นั่นแหะเป็นรู้ตัวเรานั่นแหละแต่ไอตัวเราที่บนได้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสังขารปุ่มแต่งเดี๋ยวมันก็ตายแตกดับไปตัวนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปสนใจมันเลยให้เป็นรู้เป็นรู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโยมจะเลิกแช่ได้เลยเพราะว่าพอเป็นรู้ปุ๊บมันแช่อะไรไม่ได้หรอกเพราะไม่มีตัวตนเป็นเป็นรู้ตัวเราอ่ะนะมันจะเลิกแช่เลยมันจะไม่มีการแช่หรอกไม่งั้นโยมก็ปรับปรับแต่งแแบบเนี้ยอันนี้แช่และไม่ชอบประการนี้พยายามจะปรับ เปลี่ยนย้ายไปเพื่อไม่ให้มันเป็นอาการนี้อาการนี้จะเอาอาการนี้ไม่เอาเราแย่อีกเราแชกแล้วจะเปลี่ยนอีกแล้วไปเป็นอาการนี have, degree, ้เอามาเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไอ้ตัวนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งที่ถูกรู้หรือเป็นรู้ล่ะเออถูกรู้จเอมันเป็นสังขารปรุงแต่งที่ถูกรู้โยนก็จะไปเอาไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งที่ถูกรู้ได้มาเป็นตัวเราสิมันบอกมันสอนตัวเองโยนิโสมนัสิการ มันบอกมันสอนตัวเองแบบเนี้ยให้จะได้หายโง่สักทีคืออาวิชานะ่ย น, นี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าโยม<จ>นะห<จ>มายถึว่าอา ว, วิชามัน<จ>แปลว่าโง่เน<จ><จ>ี่ยอวิชามันแปลว่าไม่รู้สักทีเนี่ยยึดผิดตัวเรื่อยไปสักทีมันไปเอาไว้ตัวสังขารปรุงแต่งทุกชาติเป็นตัวเราเป็นทุกชาติไม่เอามาเป็นไอที่รู้ตัวเราสักทีเป็นเราสักทีมันบอกมันสอนมันว่ามันดาตัวเองอย่างเงี้ยทำไมันเป็นอย่างนี้ว่าเราเนี่ย ไปเอาอยู่ๆก็ไปเอาไอ้ตัวปรุงแต่งได้ที่มันคิดมันนึกมันตึกมันตอมมันปรุงแต่งที่ถูกรู้ได้มาเป็นตัวเราเรื่อยไปเลยเว้ยเราก็ถามตัวเองว่าเนี่ยเรามีกริยาการนี้เราคิดงี้เรานึกเราตึกเราตอมอย่างเงี้ยมันรู้ได้ไหมมีใครมารู้เราไหมเนี่ยเราไปแอบคิดในห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมีใครรู้เราไหมรู้ไปแอบคิดอยู่ในห้องนอนมีใครรู้เราไหมรู้ไอ้แน่ๆเรานแน่ๆมันรู้ตัวเราตลอดเลยไอ้แน่ๆเราไอ้ที่รู้ตัวเราคือเราแต่ตัวเราที่ถูกรู้ได้แต่มันไม่ใช่ตัวเรา รู้มันยังสงสัยอยู่เจ้าค่ะก็ก็ดูตัวที่มันรู้ที่สงสัยนะเจ้าค่ะแต่โยมยังคาใจคาดเคลื่อนโยมเนี่ยบอกว่ามันสงสัยอยู่แล้วก็ดูตัวที่มันสงสัยรู้ตัวที่มันสงสัยแต่โยมเนี่ยจะเอาให้มันหายสงสัยโยมไม่เอารู้ ไม่เข้าใจคือเราจะทํามาพยายามทําให้มันหายสงสัยโยมเลยไปเอาไอ้ตัวสงสัยแต่โยมไม่เอารู้เนี่ยโยมไม่ให้ค่ายมันโยมมันค่อยมันมันไม่ยอมเอารู้แต่มันไม่เป็นรู้คือจะไปเอาไอ้ไอ้ที่มันสงสัยมันหายสงสัยให้ได้มันมันไม่ยอมหายสงสัยอันนี้มันไปยึดไอ้ตัวขันห้าไปตัวปรุงแต่งที่มันสงสัยได้ ไม่มาเป็นรู้ไอ้ตัวสงสัยไม่จากสงสัยก็สงสัยไปแต่เราก็รู้เลยเลยเป็นรู้เลยไปอ่ะแต่โยมจะพยายามไม่ไปทําให้ที่มันสงสัยมันหายสงสัยมันเลยมันเลยไม่เคลียร์สักทีแต่หลวงตาเนี่ยพีจ๋าว่าจะใหมันเป็นมาเอารู้รู้สงสัยมันจะสงสัยก็สงสัยเช่าไปไม่เกี่ยวเพราะเองเป็นสังขารมันแต่งแต่ข้าก็เป็นรู้เรื่อยไปอ่ะแต่โยมหมายไว้ผิดตัวโยมมุ่งใจว่ามันมันไม่หายสงสัยมันไม่หายสงสัยมันไม่หายสงสัยอยู่แน่เนี่ย ไม่เคลียร์อยู่ดีใช่เจ้าค่ะมันก็สลับไปสลับจเอาให้เคลียร์อย่างเนี้ยเี๋ยวมุ่งจะเอาให้เคลียร์โยมไม่เอาไปรู้เดี๋ยวเดี๋ยวออธิบายยังไงเนี่ยจริงๆริงโยงเข้าใจเจ้าค่ะโอ้แต่ว่าตัวสภาวะมันไม่มันไม่ยอมเก่าเออแต่โยงเข้าใจดีที่หลวงตาพูดเจค่ไม่ไม่ฟังเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เนี้ยเกิดจะเบรกได้แล้ว เมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยกือบจะเบรกได้แล้วเนี่ยที่บอกว่าโยมเข้าใจโยมเข้าใจที่หลวงตาพูดน่ยโยมเข้าใจแต่สภาวะโยมมันไม่เปลี่ยนทักทีไอ้สภาวะที่เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้มันเป็นอะไรมันเป็นสังขารมันเป็นสังขารแล้วทำไมโยมไปเอาไอ้สภาวะที่เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้ล่ะอ๋อเจ้า่ะเวลาถามอะไรโยมรู้หมดเลยอ่ะถามอะไรหนูรู้หนูรู้แต่โยมไม่เอาหนูรู้หนูจะเอาสภาวะที่เปลี่ยน แน่แสดงว่าไม่ได้เอารู้จะเอาสภาวะที่เปลี่ยนมันก็เลยไม่ยอมไม่ยอมกันนทีนี่ถ้าเป็นรู้พบมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไปนไงมันก็ถ้าเป็นรู้มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็สร้างมันเออใช่เลยเนี่ยหมายต้องการจะตอบให้มันอย่างนี้นาทีชื่นใจเดี๋ยวจริงกรเปาไม่จริงไม่ไม่จริงรว่าลึกๆมันไม่ใช่ อ๋ออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเดียวเดี๋ยวจะเอาช่อไอ้ใช่อีกแล้วเดี๋ยวไอ้ใช่ไม่ใช่เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจริงจริงเข้าใจแล้วจริงจริงจริงแต่มันยังไม่ใช่อ้าวมันไม่มีแต่ก็แล้วไอ้ที่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอะไรมันเป็นสังขารนะอ๋อทำไมไม่เอาแต่รู้แค่รู้มันก็ได้แต่แค่รู้แค่รู้อย่างเดียวมันจะใช่ไม่ใช่มันจะถูกไม่ถูกมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจ้าจ้าอืม ตอนนี้จะไม่มีใช่อีกแล้วต่อไปอ่ะมันจะเป็นใจที่วางเปล่าไปเลยเพาไอ้แค่รู้นี่ยมันคือใจที่วางเปล่าว่าป่าจากความปรุงแต่งใดๆทั้งมวลเลยวางวางเปล่าจากความสุกความทุกข์ใดๆทั้งมวลไอ้ น, นั่นเป็นอมตออะไอ้ใจที่วางเปล่าเนี่ยเป็นอมตะเลยอแต่ไอ้สังขารปรุงแต่งที่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้จะอาถูกเอาผิดมันใช่ไม่ใช่จะเอามันสภาวะมันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอ้นั่นแตกดับหมดตายแตกดับหมด มีแต่ใจที่รู้ ร, รู้แค่รู้เน่นะมันเป็นมันจะความว่างเปล่าไม่แตกไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีกิาการใดๆก็เข้าใจขึ้นมาได้หลายมากแล้วแต่ยังไม่แต่ยังไม่ถึงที่สุดไปเนี่ยไปเอาไ ว, ตว้ตัวตัวเราที่มันประมวลผลได้ตอวเนี้ยรีบเก็บรีบทำความกระจายีบประมวลผลข้างในใจข้างในใจเนี่ย มีความตึกความตองอือ in, a, a, a, ออออย่างนี้อือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ ย, monk, อย่างงี ny, ้ไงอย่างงี้เอออย่างงี้งย่างงงไปเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเราเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่าให้ไอเป็นเป็นตัวรู้ว่าที่เราในแสดงกริยาการนือไอ้ตัวแสดงอากาศเอออย่างงี้ใช่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้เออตอนเราไปอย่างนี้ละโอ้ตัวนี้เราก็ใจอย่างงี้ละเราก็ใจอย่างงี้เออตอนนี้ตอเนี้ยกลายเป็นไปเอาไว้ตัวนี้เป็นตัวเราจริงๆเลยแล้วก็หมกมุ่นกับมันไปเลยกลายเป็นไอ้ตัวเรานี่แสดงกริยาซะเองเลย แล้วไอ้ตัวรู้ที่รู้ตัวเองว่า <en> <en> ที่แสดงกิริยาการเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราบบกําลังแสดงกิริยาการเออใชอใช่ใช่อย่างนี้ใช่เลยใช่ใช่ใชอย่างงี้ถูกต้องเลยไอ้ที่มารู้เนี่ยมันหายไปเลยนะไม่เป็นรู้เลยไปเป็นตัวที่แสดงกิริยาการอยู่ในจิตอะเนี่ยไอ้ตัวที่เราพูดปุ๊บไม่เห็นหนูไม่เห็นเลยที่ว่าไม่เห็นอย่างที่อาจารย์พูดเลยไม่เห็นอย่างที่ตาพูดไอ้ตัวที่พูดเราพูดว่าไม่เห็นไม่เห็นเนี่ย เรารู้ไหมว่าข้างในใจเราพูดเราไม่เห็นไม่เห็นรู้ไม่เห็นเลยรู้ไห ม, ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวนะคือกริยาการใดๆข้างในเนี่ยที่มันแสดงกริยาการได้ที่มันตึกมันตองมันวิเคราะห์ทบทวนได้มันเป็นสังขารในกัน5้าหมดนะแล้วให้มันเป็นรู้สิมาเป็นรู้วันเนี้ย รูไ้ไหมว่าเรากาลังทำกิริยาการอย่างนี้อยู่กําลังทบทวนวิเคราะห์วิจารณวิจัยเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเลย ม, มันเหมือนมันกระโดดระหว่างไอ้ตัวตุบๆกับช่องว่างมันเหมือนกับเราวิงงา่งไปวิ่งมาว <c oughs> ิ่งไปวิ่งมาจังเด้อเด้อเด้ยังไงนะมันเหมือนในกระโดดยังไงนะตุบๆแล้วก็ช่องว่าง ม, ม, มันเหมือนไอส้สมมติว่าอันนี้เป็นอาการที่มันอาการของจิตที่มัน<อ>ตุบๆแล้วก็ช่องความว่างแล้วก็ข้างรอบมันว่างแล้วมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเองอ่ะไม่ยอมหยุดนิ่งเราก็ เอาจิตไปไว้ตรงนี้บ้างไว้ตรงช่องว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ลองมองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับไอตัวเนี้ยคือกำลังหาเดี๋ยวเ<ะ>ดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวเซึ่งเราไม่ควรจะหาเท่าค่ะเราควรจะแค่รู้แต่มันแต่สภาวะมันมันเหมือนกับเราก็รู้ว่ามันกําลังหาอยู่เนี้ยแหละขอถามหน่อยโยมรู้ตัวไหรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองอะ กำลังหาอยู่มันไม่ยอมหยุดนิ่งรู้จ้ะค่ะรู้ว่ามันหาอยู่แล้วทําไมโยมจึงต้องไปให้ไอ้ที่หาให้มันหยุดนิ่งไะทำไมไม่ลองไปรู้อะ่ะโยมบอกว่ามันมีอาการยุกยิกยุกิกยุกิกเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วว่าอาการอาจารยมันยุกยิกอยู่ในความว่างมันเหมือนเป็นไข่ดาวที่มีไข่แดงอยู่ในความว่างที่เป็นไข่ขาว แันเราไม่ยอมหยุดหาสักทีมันจะได้ไปเป็นไข่ขาวไม่เป็นไข่แดงใช่จ้ะแล้วมันก็วิ่งไปงวิ่ง <pper pper> มาแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างไปยุกยิกยุ่งยิกเ ป, ป็นปรุงแต่งแล้วก็มาเป็นไข่ขาวความว่างแล้วมันไม่ยอมหยุดสักทีมันพยายามจะให้ตัวเราเนี่ยหยุดไปเป็นไข่แดงให้มานเป็นไข่ขาวหยุดไปเป็นไข่แดงไม่ไก่อุ้ยมันน่าลำคาญจริงมันวิ่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเราก็หลวงตาเลยถามว่าหลวงตาก็เลยไม่ต้องการเราว่าไข่แดงและไม่ต้องการไข่ขาว เลยถามว่าต้องการรู้นะต้องการรู้รู้ไหมว่าเราเนี่ยพยายามจะหยุดตัวเราเองเนี่ยให้ไม่ไปเป็นไข่แดงให้มาเป็นไข่ขาวคือความว่างเนี่ยรู้ไหมว่าเราเนี่ยอันนี้ไข่นี่ไข่แดงเหมือนในยิ๊กยิกแล้นี่คือไข่ขาวเหมือนมือนมือหลงตาเนี่ยหนิ้วขันห้าแสดงกิยาการยุกยิกยิกอยู่ในความว่างเนี่ยความว่างเราพยายามจะให้เป็นความว่างมันก็คอยมาเป็นไอ่มาเป็นไอ้ไข่แดงยุกยิกยุ่๊กเราคอยจะไปเป็นความว่างมันก็มาเป็นไอ ไข่แดง ย, งยุกยิกยุกยิกเลยมโหมันไม่เป็นใจที่ว่างครับทีมาเป็นนี่อาการที่ยุกยิกยุกยิกเราเลยเราเราเราเราเราใช่เจ้าค่ะเป็นแบบนั้นแล้วรู้ไหมว่าลุงตาไม่ต้องการไข่แดงแล้วไม่ต้องการไข่ข า, อ า, ขาเอารู้รู้ไหมว่าเรากำลังพยายามจะช่วยตัวเราเองสุดความสามารถมาหุดมโหมุดหุิดตัวเราเองเลยทําไมมันไม่มันไม่เป็นไข่ขาวว่างไปเลยแล้วมาเป็นไข่แดงทําไมยุกยิกยุกยิกทำไมเด้๋ยวก็กลับไปกลับมา รู้ไหมว่าเรากาลังทํากิริยาการเนี่แหละบางช่วงก็รู้จกวให้เป็นรู้นี่แหละให้เป็นรู้ว่าตัวเราเนี่ยพยายามจะช่วยตัวเราให้เป็นรู้เพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันแสดงกิริยาการไม่ได้ไอ้ที่แสดงกิริยาการพยายามจะช่วยตัวเราเองได้ไม่ให้ไปเป็นไข่แดงให้มาเป็นไข่ขาวไม่เป็นมันเป็นไข่ขาวกลับเป็นไข่แดงไอ้นั่นไม่ใช่สาราสําคัญสาระสาคัญคือรู้รู้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังจะพยายามช่วยตัวเราให้มาเป็นไข่ขาวคือมันเป็นความว่างไม่ให้กลับไปเป็นไข่แดงอีก ต้องการรู้รู้รูรู้ตัวเรานี่ยแน่ให้เป็นรู้ตัวเราแต่ถ้าเราเนี่ยไปทํากิริยาการได้มันเป็นขันห้าคือพยายามจะปแสดงกิริยาการมาช่วยตัวเราเองได้ให้เป็นความว่างไม่ไปเป็นไข่แดงไม่มาเป็นไอ้ไอ้ขันหน้าดีนิ้วของหลงตาที่แสดงยิ้จับยิ้เจ้าย่อยู่ในความว่างะเราไม่ต้องการว่าเป็นนิ้วหานิ้วที่มันจุ๊บจๆ๊บจบจก็คือขันห้าแสดงกิริยาการเราต้องการจะเป็นแต่ความว่างให้เหลือแต่ความว่าง ให้กิยาการไม่มีเลยให้ใจมันว่างอย่างเดียวอันนี้ผิดนะผิดเพราะว่าอาการของขันหน้ามยังไม่ตายมันย่อมมีอยู่ใจที่ว่างเปล่าก็ย่อมมีอยู่ก็ได้แต่แค่รู้ว่านี่ยมันมีขนมันหน้าก็ยังทํางานอยู่ใจที่ว่างเปล่าก็ยังว่างอยู่ก็แค่รู้แค่รู้นี่ไอ้แค่รู้เนี่ยแค่รู้แค่รู้เนี่ยไม่มีผู้เสวยเนี่ยเขาเรียกวันนิพพานไม่ใช่เอาใจว่างเป็นนิพพานไม่ใช่เอาไอ เอาไวไอ้กำจัดขันห้าที่ยึบยึบยบยึบเนี่ยให้มันหายหมดไปเหลือแต่ใจว่างแล้วก็เป็นนิพพานไม่ใช่นะสิ้นยึดสิ้นยึ ด, ยดคือขันห้ายังทํางานอยู่ยังไม่ตายตอ่ะแล้วใจที่ว่างก็ว่างอยู่กูใจที่ว่างก็คือรู้เนี่ยไอ้ที่มารู้ขันหน้าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มันยังไม่ตายก็ทํางานคู่กันไปอย่างเงีย้ยไอ้ขันห้าก็ถูกรู้ด้วยใจที่ว่างเปล่าแต่ไม่มีใครมายึดใจที่ว่างเปล่าแล้วไม่มีใครมายึดขันห้ามันจะเป็นนิพพานสิ้นยึดสิ้นยึดสิ้นผูเตอเบื่